บันดาลขึ้นมาแล้วส่วนอยากและรูปแบบมันจะเป็นอะไรเนี่ยกรรมเขาเข้าไปตกแต่งเห็นทำไมบางคนถึงตาถึงอย่างผมเนี่ยผมก็รู้แต่ผมไม่อยากพูดมันก็มีดีบางมันก็ไม่มีไม่ดีผลมันก็มันก็เป็นเมื่องที่เกิดจากกรรมแม้แต่ลักษณะปากลักษณะหูลักษณะนีของคนเนี่ยกรรมมันเข้าไปตกแต่งไอ้ตัณหามันรับรองว่าฉันจะให้ตา กรรมเขาอาละดีเขาเข้ามาตบแต่เป็นมันธนาการมันธนากร น, นั้นทั้งตัวทงลองเดียวจะบอกว่าทาไมถึงเป็นผู้หญิงทาไมถึงเป็นผู้ชายผู้พุทธเจ้าเขาบอกว่าเพราะชอบในภาวะของความเป็นหญิงํำหนัดในภาวะของความเป็นหญิงผู้ชายํำหนัดในภาวะของความเป็นชาย กำหนัดในอากับของชายของหญิงจริงไม่จริงกำหนัดในเครื่องแต่งกายของหญิงเครื่องแต่งกายของชายกำหนัดในเพศตรงข้ามนีม่แหละครับมันทําให้เราต้องมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตามความอยากความยึดของเรส่วนเป็นผู้ชายหน้าตายอย่างไรผู้หญิงหน้าตายอย่างไร กรรมเข้ามาตกแต่งเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งนะอ่ะเราถามว่ากรรมมาตกแต่งแล้วทาไมเหตุ อ, อื่นไม่สําคัญหรือนานๆต่อถือว่ากรรมเขาชักนําเหตุปัจจัยมาประชุมให้เช่นว่าเรามีกรรมจะต้องเป็นโรคหัวใจก็เลยไปเข้าท้องคนเป็นกรรมาผ่านเป็นโรคหัวใจน้องนี้นะต่อกำเขาก็ที่ที่ ท, ท, ทาง ที่เหตุประกอบต่างๆนั้นต่างปอยูนในสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเป็นโลกการเห็นความเกิดและดับอย่างที่สองเนี่ยเป็นการเห็นความเกิดดับอย่างเป็นขณะขณะไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เป็นตัวที่ทำให้บุคคลนั้นเกิดความลังเกียจการเห็นอย่างนี้รังเกียจละรังเกียจที่มังเกียจนา้ารู้ว่า ไอ้ตัวรูปนามก็เกิดก็ดับเหตุปัจจัยของรูปนามนี่ผมเรื่ประเด็นที่กนะครับรการเห็นอุทยววะสองอย่างตอนนี้เป็นคำที่ผมประมวลขึ้นเป็นโบหาบผมเองจากเนื้หอหาสาราของตำรา หนึ่งเห็นความเกิดดับสองอย่างก็ทัาหว่าเห็นโดยปัจจัยอย่างที่อธิบายมาเยอะเมื่อตะกี้นี่นะครับเห็นโดยปัจจัยคือนามรูปส่วนที่เป็นเหตุของนามรูปนั้นเพราะว่าไอเหตุที่ทำให้เกิดนามรูปที่เป็นผลมันก็เป็นนามรูปเหมือนกันไม่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อะไรสร้างสรรค์ึไม่ใช่สิงลึกลับอื่น เป็นการเห็นความสัมพันธ์โดยอ า, นะาใจว่าข้อความพิมพ์หูจะตกไปนะโดยโดยเชิงเหตุผลนั่นเองครับในเชิงเหตุผลเหตุกับผลแล้วก็เห็นหนทางตรงียที่ทำให้เห็นหนทางว่าเราจะพ้นจากผลนั้นได้โดยเด็ดขาดทำให้การดัดนะั้เป็นอนุ ป, ปาทานิโรธ ดับและอนุปาทิเสติ น, นิพานไปเลยต้องดับเหตุเหล่านั้นและมาดับแล้วก็จะรู้ได้ว่าตัวดับแล้วโดยไม่ต้องมีใครบอกอย่างพระหลานเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยต่ําลงมากว่านั้นก็ลดหลั่นกันมาในขั้นของความดับอย่างเป็นพระโสดาบันก็ดับได้ส่วนเป็นส่วนใหญ่เหลืออยู่เพียงเจดชาติอย่างที่พูดกัน โดยขณะนี้ต่อไปดูโดยขณะคืออาการหรือขอบเขตแห่งอายุอันน้อยของนามในขณะปัจจุบันอันนี้ก็คือเห็นเห็นเป็นขณะไม่ได้เห็นในเชิงสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเราจะดูผลคือนามลูกในส่วนที่เป็นผลก็เห็นมันเกิดดับโดยขณะและดูนามรูกในส่วนที่เป็นเหตุเราก็มาดูในเชิงปฏิปตอความกัน ก็ดูเป็นส่วนไปมันก็เหมือนกับคนที่เรารู้จักในสังคมเนี่ยผมก็นึนกๆแล้มันก็เหมือนตรงนี้อ่ะคืองทีเราไม่ได้นึกเอามาเราไม่สามารถจะามาต่อกันได้บางคนเนี่ยผมรู้จักชื่อเคยฟังเสียงเคยเห็นหน้าแต่มันไม่เคยมาลง ม, มาสักทีจนวันนี้หลายคนนะพระจานะ เคยได้เห็นได้ได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าไอ้เคยเห็นหน้าด้วยแต่ไอ้ได้ยินชื่อเนี่ยคือได้ยินจากที่หนึ่งรู้จักตัวก็อย่างเช่มานั่งฟังก็เคยเห็นหน้าเคยคุยเคยอะไรกันฟังเสียงก็โทรศัพท์ไปที่บ้านแต่ถ้าคนนั้นมาอยู่เนี่ยผมก็ไม่ไม่สามารถจะเอาชื่อมาต่อตัวเขาได้เข้าใจนะคือรู้จกักบางคนเรารู้จักไม่ใช่รู้จัก ชื่อแล้วไม่รู้จักรู้ว่าไม่รู้จักทั้งชื่อแลทั้งตัวเสียงก็ก็เคยได้ยินทางทางโ ท, ทรศัพท์บางคนก็าทางโทรศัพท์แต่มาเจอจริงๆเขาไม่รู้อย่ า, างนั้นจะมาถามว่าคนเนี้ยเคยเห็นหน้าใช่ไหมเคยชื่ออะไรรู้ไหมพอเขบอกไม่รู้เนี่ยผมโกหกหรือไม่โกหกไม่รู้ได้ยังไงก็ชื่อจะจดไว้แล้วเคยได้ยินผมโกหกไหมหลอกผมไม่ได้โกหกคือรู้จักแบบกระจาย นั้นเวลาเห็นความเกิดดับอย่างไม่เป็นสัมพันธ์นี่เรียกว่าเห็นรูปรูปนามส่วนผลเกิดดับนี่เห็นเป็นเอกเทศเห็นรูปนามส่วนที่เป็นปัจจัยเกิดดับนี่ก็เห็นอย่างเป็นเอกเทศแต่ถ้าเห็นนามรูปนี้เกิดจากเหตุปัจจัยนี้อันนี้เราเห็นอย่างเป็นเรื่องการสืบต่อเชื่อมต่อกันเข้ามาผสมผสานโดยความเป็นเดชเป็นผลกัน นี่ดูข้อสองนะเห็นความเกิดโดยปัจจัยนี่เป็นบทขัดยอ่อว่าเห็นความเกิดโดยปัจจัยเห็นอย่างไรแล้วก็ข้อสามเห็นความดับโดยปัจจัยเนี่ยคือเห็นอย่างไรก็อธิบายคว า, ามเกิดโดยปัจจัยที่พโยกาวจรเห็นว่าปัจจัยในอดีตพบเป็นเหตุให้เกิดรูปนามในปัจจุบันพบ ในปฏิสนธิและในประวัติปฏิสนธิือหมายถึงนําเกิดทําให้เกิดแล้วก็ในประวัติก็คือเมื่อมีชีวิตเป็นไปอยู่อย่างเช่นกรรมมีกรรมนําเกิดแล้วก็กรรมอุปธ ร, รรมในระหว่างมีชีวิตและกิเลสที่เราได้สั่งสมไว้อวิชากเก่าๆตัณหากเก่าๆมันก็สร้างผิดผลเือตัวเราที่ต้องมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไปตามความอยากของเรา อยากและต่ำอันมีอวิชชาเป็นตัวลองก้อนอยู่เบื้องลางทำให้เราต้องมาเป็นอย่างนี้และก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปนั้นอันนี้พูดได้ยานเห็นและนี่ถือเป็นความเห็นความเกิดดับอย่างชนิดที่เราไ ม, ไม่ได้พูดกันเราจะพูดกันเป็นลูกของขณะเพราะฉะนั้นสองอย่างมันมาเสริมกันพอม่เห็นโดยขณะว่ามันเกิน มันเกิดอย่างนี้และไอ้ความนามลูกที่มันเกิดมันก็เป็นขนาดๆก็เลยเกิดความรังเกียจที่จะเป็นอย่างนั้นไอดีถ้าสมมติว่านามลูกมันไม่ได้เกิดดับเปนขนาดนานี้ก็ไม่รู้ว่าโยคีจะจ ะ, จะเกิดทัศนคติตามนามลูกว่ายัางไงนะอะาจจะผู้แหมขอบพัุณเอาวิชาปัญหาที่ทําให้นามลูกเพี้ยนอาจจะเป็นดีไปก็ได้อ่าที่ท่านกล่าวถึง ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นปัใจจัยในปัจจุบันนะพบเป็นเหตุให้เกิดรูปนามในอนาคตในปฏิสนธิและประวัติอันนี้ครับวงรอบของปฏิจจะหรือสังสารวัตผู้ปฏิบัติจะมองออกเหตุอดีตผลปัจจุบันทีนี้พอเราได้แยกผลปัจจุบันเนี่ยถามว่าวิชาเรามีไหม ปัญหาใหม่เรามีไหมมีใช่ไหมกรรมใหม่เรามีไหมกรรมใหม่ที่มีในปัจจุบันนี้อวิชชาในปัจจุบันนี้ปัญหาในปัจจุบันนี้มันก็ต้องทําให้เราต้องไปเสวยผลเวรผลกรรมต่อไปและบางคนที่มีภาวนาสมบูรณ์หน่อยเนี่ยถึงขนาดมองออกว่าตัวเองจะได้อัตภาพต่อไป ในรายละเอียดเป็นอย่างไรด้วยซ้ำอย่างที่เขาว่าจะตายเมื่อไหรตายเพราะกรรมอะไรอย่างอาจารย์ชาท่านก็รูห้หลวงนาท่านจะต้องปิดวาจาที่ท่านเคยบอกบอกลูกศิษย์ไว้และท่านก็ต้องมาปิดเงียบท่านพูดเป็นภาษาอีสานนะและท่านก็ต้องบรรณภาพไปในสภาวะอย่างนี้แล้วก็ไปเกิดอย่างไรท่านเหล่านี้ท่านสามารถที่จะมองออก แต่ว่าท่านตื่นเต้นไหมพูดถึงคนปฏิบัติในเชิวิบัติไม่ตื่นเต้นก็เห็นก็คือต้องไปเปลี่ยนจากที่หนึ่งที่น่ากลัวหนีเสือป่าจระเข้หนีจระเข้ป่าเสือเน<ม><ม>ี่ไม่รู้อะไรอะไรอันอะไรจะร้ายกว่ากันนะแต่มันก็หนีไม่พ้นความเป็นนามรูปเสมอกันด้วยความเป็นนามรูปดูนี้ถ้าเป็นชีวิตของคนปฏิบัติทำอยู่ผมว่ากลัวเป็นเทวดาความเป็นเทวดาในน่ากลัวนะมันเป็นมนุษย์เสียยังจะดีกว่า ที่ท่านพูดถึงอีกจทย์หนึ่งก็คือปัจจัยในปัจจุบันนะพบเป็นเหตุให้เกิดรูปนามในปัจจุบันนะพบในประวัติการัม เ, เหตุปัจจัยที่ท่านพูดไว้เป็นสี่เมื่อกี้นะที่อ่านมาแล้วเนี่ยมันมีบทสรุปอย่างเต็นเต็นที่หลังอีกทีแต่ยกเป็อย่างการณีรูปอวิชาตันหาอาแล้วก็กรรมที่ทําให้เราได้ชีวิตนี้เป็นอดีตเป็ลักนะ แล้วก็อวิชาตัญหาปัจจุบันนี้กรรมปัจจุบันนี้จะส่งผลในอนาคตนีนเป็นส่วนหลักนะที่กระงสารอยู่เป็นผลในปัจจุบันนี้บ้างนะถือว่าเล็กน้อยครับกรรมที่เราทำปัจจุบันนี้แล้วก็มีผลเป็นอย่างไรอย่างไรถือว่าเล็กน้อยท่านเอาข้ามชาตินีนเป็นตัวหลักส่วนอาหารอัต伽ถาท่านเสริมให้ว่าหมายถึงอุตุและจิต ด, ด้วย มีผลต่อรูปอาหารนี่ของชาติก่อนหรือเปล่าแล้วพวกมาจะชาติก่อนไหมตัวแวอกแม่จ้าไม่ต้องปลอนหนูพกกล้วยมาจะชาติก่อนนะหนูพกนมมาจะชาติก่อนแล้วเป็นของปัจจุบันที่เรากินปัจจุบันนี่คือเดียวว่าเป็นเหตุปัจัยร่วมขนาดร่วมการกับผลอุตุ คืออุณหภูมิความเย็นความร้อนก็เป็นของปัจจุบันจิตจิตในที่นี้หมายถึงความรู้สึกที่มันมีผลต่อรูปก็เป็นเหตุปัใจจัยในปัจจุบันจิตทำให้เกิดโรคได้ทำให้หายโรคได้ทำให้ร่างกายอ่อนได้ทำให้หน้ายิ้มได้ทำให้หน้าบึ้งได้มันก็เกิดจากจิตนี่คือจิตแต่เทรูปเป็นของปัจจุบันเพราะนัผูวว้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็น เห็นลึกเลยบางวิธีในเห็นตรงนี้ชัดมากแล้วก็เลยจะพูดได้ว่าเวลาผู้ปฏิบัติเห็นอย่างสำนักต่างๆที่ผมว่าขาวดีลเนี่ยเห็นความเกิดดับเห็นเหตุปัจจัยในเชิงจิตตะทะลุเนี่ยก่อนและง่ายกว่าเพื่อนกําหนดยกหนอยอย่างหน้อยเยียนหนอจิตตะทะลุไหมเป็นจิตตทะลใช่ไหมเกิดจากจิต เป็นตัวสั่งหายใจเข้าหายใจออกท้องคล อ, อ, ององยุจิตะจรุปอิริยาบทคู่เข้าเหยียดออกจิตตะชรุปและเวลาเห็นเนี่ยเท่าที่ผมถามและโดยหลักการก็เอื่อมหน่วยกับคำตอบส่วนใหญ่ว่าเห็นความเกิดดับกับจิตตะชรุปแทบจะทุกสำนักเพราะเห็นได้ง่ายเป็นของอยาง แต่ที่ไปเห็นกรรมมาชลูปเนี่ยลึกลงไปเช่นว่าอยู่ๆเอ๊ะทห้ อ, อ้ปัญหาที่เราเป็นอยู่เอ๊ะทำไมเราตากรรมหรือท่านเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยความรู้สึกปวดหัวทั้งลมขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยแล้วแต่ละคนก็จะต่างกันอาการทางเวลาปฏิบัติเนี่ยนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่างกันนถ้าเรา ปฏิบัติถึงบางจุดเนี่ยมันมันได้คําตอบมาออกเพราะอย่างนี้บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นเป็นเหตุการณ์ได้ระลึกเป็นไอเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วเด็ดดําเนี่ยเกือบจะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสนึกถึงได้อีกเลยก็มานึกถึงได้บางอย่างเนี่ยเรานึกไม่เห็นถ้ามันข้ามภพข้ามชาญเนี่ยก็รู้โดยหลังโดยไม่ว่าเราต้องไปทํากรรมลักษณะอย่างนี้มาแน่ แน่และไอไอปรากฏการณ์ของวิบากเนี่ยอันหนึ่งจะเกิดจากกรรมหลายอย่างแต่ว่าเราสามารถจะมองเห็นว่าของเรานควรจะทาลักษณะไหนมาถามว่าอะไรมันมันบอกภาษาระจริงบอกสติมันบอกมันบอกแล้วก็ประเมินออกมาได้โดยไหนว่าอ๋อเราจะหลุดอย่างนี้แวนวโน้มอย่างนี้ ต้องไปทาอย่างนี้ไว้แน่บางคนเนี่ยเป็นนี้เป็นสินไม่ใช่เป็นนี่เขาเขาเป็นนี่ตัวขอยืมไปเป็นล้านทวงถ้าเป็นถ้าตายไม่ได้ไปทําวิปัสสนาแล้วก็รู้ว่าไม่ได้รู้ว่าไม่ได้เนี่ยแต่แทนที่จะโกรธเนี่ยอะไรมันทําให้เขาไม่โกรธ แล้วะระลึกได้ว่าตัวไปทําคนอื่นเขาไว้อย่างนั้นก็มาถามว่าไอ้เราไม่ได้โกงเขาถึงสองล้านทำไมเราต้องมาเสียสองล้านผมนก็บอกว่าเอามันก็ต้องมีดอกเบีย้ยสักทีเราดูความเัินผ่านาไอ้ดอกเบีย้ยเพิมมาน้อยเราไปเอาของใครคนนั้นเขาเป็นใครมีคุณธรรมแค่ไหนแล้วคนเอาของเราไปเนี่ยเป็นใครบางทีไห้เขาเอาไปสองล้านบาทน้อยกว่าที่เราเอาเข้ามาแค่แสนเดียว ปพราอะไรรู้ไหมเพราะเราคุณธรรมต่ำกว่าคนที่เราไปเอาเขาไอคนที่มาเอาเราไปสองล้านบาปน้อยกว่ามันอยู่ที่ว่าเอาของใครเอาของพ่อของแม่โกหกพ่อกโกหกแม่อะไรต่างๆเหล่านี้ยบางทีเนี่ยถึงกับว่าบางทีอาจจะพอประเมินคนอื่นได้ด้วยว่าคนนี้น่าจะทําอะไร ถึงมามาตั้งจิตาตามอย่างนี้นะประเมินได้ถ้าอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยที่เราแวะจิตมานิดเดียวนียว่าเอ้คนนี้น่าจะไม่ทำอะไรมาบางคนแล้วก็ได้แต่ประเมินนะไม่กล้าบอกแล้วพอกรู้ว่าบอกแล้วก็ากรบต้องรอให้เขามีภูมิธรรมพอจะฟังได้ไปบอกบางคนก็ตายไปก่อนที่เราจะบอกเข ว, ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เป็นโรคไอเกี่ยวกับระบบปาก เพราะตัวก็ไม่รู้เพราะอะไรรู้มะโกิดมาลงมาเลงขึ้นที่ลิ้นปากร้ายมากคนนี้แล้วก็ตายเพราะมาเลงขึ้นลิ้นเนี่ยขึ้นลิ้นาตายไปเพราะไปทันอย่างนม้ไว้ตัวก็ไม่รู้เพราะยิ่งคนปางมากยิ่งคิดว่าตัวเองดีแล้วจะพยายามจัดทังคนอื่นให้ดีไมว่าคนอื่นไม่ดีแล้วพยายามใช้ปากจัดคนอื่นไม่ได้จัดตัว โดยมันเป็นเวียรเป็นกรรมพอมาตามทันเขาก็เลยต้องเกิดมาเล็งต้องไปผ่าตัดอะไรกันเสียหายอะไรนี้ขึ้นนี่ไอ้เราก็บางทีต้องรู้ไอ้บอกกันได้ไหมเนี่ยบางคนก็บอกไม่ได้นั่นไงพระพุทธเจา้าไปเทศน์ให้บางคนตายแล้วก็ไม่มาดาวหรอกบางทีก็ต้องรอเวลาออย่างนี้จะมีบางคนก็ตอนจะตายถึงมาเรียกหา เรียกหาเพื่อจะบอกอะไรบางอย่างเพื่อจะพุ่งพาธรรมะอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นพวกนี้บางคนก็ปากเปิดเบี้ยวไปแล้วนี่ไปด่าว่าไว้นี่คนนี้นะจากคนที่พูดเก่งเนี่ยคกลายเป็นคนปากแม้มันสมมโ น, นมา น, น, นึกของผมไม่ล่วงหน้าจะคนนี้นะ เป็นคนที่พูดในธรรมแต่ว่าใช้การพูดธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะบริภารไปนในตัวเป็นเป็นคนหนึ่งนี้ก็ปากเบี้ยวไปแล้วนี่เลยกลายเป็นคนอภลรักษ์ทางการพูดไปเลยเลยต้องเลิกพูดไปนี่คือเห็นกระตาทันทันเห็นแล้วก็ทันเดาบางเอ่ผมเดาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยเป็นอย่างนี้ก็ระวังระวังไว้หน่อยกันแล้วกัน แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเริ่มจะนึกได้ไหมหรื อ, อย่างนะฮะสาหรับลายเนี้ยไม่รู้นึกได้ไหมเพราะบางคนเนี่ยถ้ากรรมยังไม่ให้ผลแล้วก็ยังไม่ได้นึกบางคนกรรมให้ผวแล้วก็ยังนึกไม่ออกคนไปบอกก็ยังไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยกับคนบอกว่ามีเนี่ยลายเนี่ยโอ้โหไปบริพาตพระที่ผมเห็นนนะถ้าอันนี้นะ่ายกไว้เถอะนะฮะ เอาไว้ว่างๆผมจะตั้งหัวเรื่องพูดเรื่องว่าอุบาสกอุบาติกาควรจะวางตัวกับพระพิสูจ์อย่างไรนะฮะเอาไว้รอหน่อยก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนแต่ผมจะพูดเป็เชิญวักฐานแล้วก็ให้เป็นประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันของทางพระอรหโ ย, ยมคือพูดตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตร่ะว่าเราควรจะทํำยังไงไม่ใช่ไป ไปทําอย่างคนที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยนี่ก็มีบางรายเนี่ยก็ยังกำลังพูดได้กำลังจะไปแนะนำให้ทําขอสมาลาโทษเพราะมันเกิดปัญหานี้ขึ้นนี่คนละลายกันแต่คนนี้แก้ไขได้แต่ไปพลังตรงนี้ต้องทําบุญแล้วขอตั้งจุดทูปจุดเทียน ขอสมาท่านเดียวแล้วก็จะได้แก้โดยวิธีการอื่นๆให้มันพ้นจากโรคไอไข้เจ็บทางนี้ไปอันนี้เราพูดถึงประเด็นถัดไปอีกครับข้อสามที่ท่านบอกว่าเห็นความดับโดยปัจจัยเมื่อกี้เห็นเกิดเห็นความดับ อ, อ, อ่านก่อนนามรูปดับเพราะปัจจัยดับจะดับนามรูปเพราะการดับปัจจัยเหล่านี้การดับของนามรูป คือความไม่เกิดอีกต่อไปนี่เป็นคำที่ถึงจะ่ของจะเขียนเองแต่พยายามคัดคำของท่านเอามาไว้นะการดับปัดใจคือดับปัดใจปัดจุบบันอันเป็นปัดใจของรูปนามในอนาคตดับโดยการตาทางคะและสมุดเฉทพหาน้วยการละความยินดี ทั้งปัจจัยและนามรูปอันนี้ก็เป็นคําของท่านที่ผงเก็บมาทั้งหมดนี้อธิบายร่วมกันไปว่าอโดยหลักที่เราพูดพูดที น, นี่มันเป็นทฤษฎีแต่เป็นทฤษฎีที่พูดถึงความรู้สึกความเข้าถึงของคนปฏิบัติเห็นและใครปฏิบัติเห็นแล้วก็จะนึกออกใครที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นก็ขอได้โปรดรับทราบว่า อเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วนะจะเห็นไอ้ตัวที่เป็นมูลของสังสารวัตรกรรมกิเลสนี่นะอวิชชาตัณหาเนี่ยเห็นชัดเลยแล้วก็ทราบซึ้งเป็นพิเศษกว่าคําพันลนาโมหานใดๆและไม่ใช่อธิบายอย่างปลือกเปือกอย่างเผลเผยว่าโง่อย่า ง, งานั้นโง่อย่างนี้อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้และกระทุกก็เต็นกระสายอ ย, างงาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกนั้นคือความเกิดดับองรูปของนามนั่นแหละ นี่คือทุกข์กระสัสังสารทุกข์และทําไมถึงมีสังสารทุกข์อันนี้เพราะเหตุปัจจัยจากกรรมและกิเลสทําให้เกิดและเห็นหนทางเลยว่าเราจะไม่ไม่ต้องมาสวยนามสวยรูปอันหน้าสะพึงกลัวเนี่ยอันไม่มั่นคงเนี่ยด้วยการดับอันนี้ก็เกิดความรู้สึกหม่ทั้งนามรูปเกิดความรู้สึกหม่ทั้ง ตัมและกิเลสตัวปกติคนไม่รู้ธรรมะธรรมโมอะไรเลยเนี่ยเขาเกลีดกิเลสเลยเขารักกิเลสรักกิเลสนะตัวหมดกิเลสเห็นความเห็นกิเลสเห็นอวิชชาเป็นความฉลาดเห็นตันหาเป็นสมุดฐานของความสุขมันกลับตลรปัตกรรมะหมดถึงขนาดเราพูดกันไม่รู้เรื่องกับคนพวกนี้ในเวลานั้น เราเองก็เคยคนอื่นพูดกับเราไม่รู้เรื่องแบบที่เรากําลังพูดกับคนอื่นขเขาแล้วก็ไม่รู้เรื่องมาแล้วใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็ถือจะรับเวรรับกรรมไปเหมือนกับที่เราไปสร้างเวรสร้างกรรมนี่ไม่ยอมรับทราบไม่ยอมรับฟังไอ้สิ่งเหล่านี้และเดี๋ยวนี้น่ะเรายอมรับในทางที่แต่อารมณ์เราเนี่ยเรายัางอยู่ภายใต้อำ น, นาจของความรู้สึกส่วนลึกอยู่ในความรู้สึกส่วนลึกเนี่ยมันจะถูกถอนถูกทําให้กระเทือน อย่างเห็นจึงเห็นจังเมื่อเราไปเห็นความเกิดดับนามรูปโดยขณะแล้วก็เห็นเป็นปัญหาเห็นเป็นลูกแล้วก็เห็นสมุทฐานแล้วก็เห็นทางออกเห็นทางหนีทีไรว่ามันเพราะอันนี้เองเหมือนกับเราเนี่ยเข้าใจกฎแห่งกรรมเนี้งเทียบอย่างชัดหน่อยว่าปัญหาคนเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องโผล่หน้าไม่รู้เลยว่าปัญหากรรมกับกิเลสสองอย่างนี้เท่านั้น บางคนนะคุยมาแล้วในกิเลสออกหน้ากรมตามหลังบางคนเนี่ยกอ่กากรรมออกหน้าให้ปัญหาทางกิเลสทําตอนเขาเขามีปัญหาแล้วไม่มีกิเลสตามหลังบางคนพอฟัดพอเบี่ยงกันหลายคราวว่าไงรู้ไหมอย่างคนที่มีปัญหาในครอบครัวอะไรแต่อะไรเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่เพื่อประกอบให้เห็นชัดกับเรื่องที่ห่วงว่าคน อ่าบางบางบางคนอาจจะฟังแล้วไม่คัดในทฤษฎีคันลึกเนี่ยเราเห็นเลว่าบางคนเนี่ยวันหลาดมากครับว่าจริจริยธรรมของทั้งสามีภรรยาคู่นี้ดีทั้งคู่แล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าใจกัน <c oughs> เคยได้ยินคนบนบนนะถามว่าเขาเลวยังไงบอกเขาไม่เ็วยังไงแล้วเขาดีถามผัวเมียุูเลวยังไง เขาไม่เลวยังไงล้วก็ดีเขาดีทุกอย่างแต่ทําไมทันจริงอยู่กับเขาแล้วฉันเบื่อเห็นหน้าเขาแล้วฉันยังงูอย่างงี้ทะเลาะ ก, กันยังไม่เป็นเรื่องอ่ะพูดงแล้วเราคุยเนรู้งลึกไปถึงปัญหาอะไรแตอะไรทั้งในทางลูกเจอโลกเจอดาเลยนะไม่มีเศรสชิน ก, ก็ดีลูกกว่าน่ารักทุกคนบริษัทบริวารก็รักทุกคนยังงั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ อย่างนี้นะไม่ใช่กิเลสออกหน้าไม่ใช่ปัญหาทางจริยธรรมแต่ปัญหาทางกรรมเหมือนตัวอย่างในสมัยพุทธกาลหลายเรื่องไอ้บางคนเนี่ยครับกิเลสออกหน้าเพราะคนเราเนี่ยสมมติเราเอากิเลสมาใส่กันไม่เคยสร้างเวรร่างกรรมอะไรมาถึงนี่เจอหน้าด่ากันทีละเล็กลน้อยสะสมไว้ลินทายวันนี้ตัวละหน่อย หัวก็ไฟในน้ำออกความนอกอาไฟนอกนําเข้าวรรยาก็เหมือนกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขหรืออยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมนี่คือกิเลสอรอกนะเพราะนั้นเวลาเรามองเนี่ยถ้ามีปัญหาทางกรรมเราเน้นแก้ไปทางกรรม่ิชาเราจะแนะนำเขานะ น, นี่ผมพูดถึงว่าแต่เปเรื่องอื่นเน้นแก้ไปทางกรรมถ้าเป็นเรื่องของเราเราก็พยายามดูว่ามันปัญหาอะไรมันออกนะแก้ตรงนั้นพอหลุดแล้วหลุดเลย ถ้าเกิดจากกิเลสต้องสอนให้ทุกคนเบาๆคือลา่าเกเราก็มีวิธีเออทำอยังไงถ้าแก้กรรมก็เอาไปทำบุญกิยาอย่างงนอย่างนี้ที่เขาทำได้แล้วมันตรงกับปัญหาชีวิตเขาถ้ า, ถามีปัญหาทางกิเลสเอา้าวเราก็คุยเหตุผลแล้เขาฟังบางทีเหตุผลฟังอย่างเดียวไม่พอต้องมานั่งขอโทษนะมานั่งฝึกสมาธิสะกดจิตถอนความรู้สึกอะไรของเขาออกมา อย่งบางคนเอาเฮ้ยเราไปบางทีเรารู้จักกันคู่แเรวก็เออเจอเมียเราก็บอกเอาฝึก ส, สมาธิแผ่เมตตาให้สามีบอกเอแผ่ยังไงเมตตาเป็น ไ, ไม่รู้เมตตาเป็นยังไงเราก็บอกว่าที่พระท่านสอนว่าสัพเพสัตตาที่บางทีเนี่ยเราก็เนึกเข้าใจแล้วรู้จักกันตั้งปีทุกมาเข้าใจครั้งสุดท้ายนี่ ว่าเอ๊ะท่แพ้แล้วทําไมมันไม่เกิดอะไรล่ะบอกคุณแพ้อย่างไงคุณไม่เข้าใจแพ้เนี่ยไม่ใช่สัตว์แล้วว่าพูดนะสัตเพสัตตาสัตเพสัตสสตาผมทำแบบว่าสัตเพสัตตาแบบฟักนกรอดๆมันไม่เกิดมันต้องได้ความรู้สึกอเอออย่างนั้นเหรอเอ๊ะแล้วทำยังไงบางคนก็ถามมาทํำยังไงเราก็ต้องมานั่งพูดให้เขาเนี่ย นึกถึงตัวเองอะไรอย่างตามลาลานะโอ้ยอออย่างนั้นเข้าใจฮเข้าใจทีนี้บางคนเราเจอหน้าแผลไม่ออกอลยต้องไปแผลที่อื่นครับแผลที่บ้านไม่ออกว่าอะไรเพราะมันไอไอของผมมันมาสะกิดเข้าหน่อยเมตตาหลบกิเลสโล่เขามารับเลยรับหน้าต้องไม่หลบแผลที่อื่นเวลาไปวัดแผลได้ก็ต้องใช้วิธีเอาออกไปแผลที่อื่นพอให้มันได้พุงขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยมาแผลใส่หน้า่ะ ทีหลังเออพอได้อย่างนี้ก็ก็มีคนก็มีเงื่อนไขต่างๆกันมานี่ให้จำมันปัญหาชีวิตเรามาอย่างสองอย่างอะไรออกหน้าอะไรตามหลังหรือตีคู่กันมา ต, ตีคู่กันมาผ น, นักหน่อยครับเพราะกิเลสเมันตัวสร้างปัญหากรรมก็พันธนาการไว้เจอหน้านันทีลายกิเลสเกิด กีเลยเกิดก็ทำอะไรใส่คมก็เป็นกรรมอรัวพันธุ์ยุงๆนั่งกันอยู่แต่ที่ค่าเราเป็นกรรมการต้องแยกต้องจำน้องแยกกันนะแต่ค น, คนคนก็จะตายกันไอ้ยังอย่างอะไรข่าวผ่านธ้ดาวเทียมมานะแม้เมื่อวานในผมดูแล้วผมยังสมเพชว่าไอ้ในสภารัสเซียที่ไหนไม่รู้นะสอสอหญิงโดนสอสอชายลุม่มรัฐทานนั่งเฉย แยกของไต้หวันอีกไต้หวันเขายังมาช่วยกันแยกยังผู้ชายแต่ผู้ชายถึงแม้ว่าทีหลังนี่ผู้ชายคนทุบเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าไอ้คนโดนทุบโนต่อยเลยนะมันก็เรื่องจะต้องเอาเอาส่งโรงพยาบาลกันเลยก็มีคนแยกอ็หิ้งทัวหน่อยทีนี้ไอ้บางทีมก็แยกยากครับไอ้บางคนฝ่ายเชื่ อ, อฝ่ายไม่เชื่อมันก็ลําบากข้าวหน่อยต้องลงทุวลงแรงมากหน่อย แต่ว่าอันนี้เอผมกําลังจะบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ยืนยันได้ว่าอย่างสํ า, าสนักที่เขาปฏิบัติแล้วไปเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดนอกลู่นอกทางวิปัสสนาและโดยหลักวิปัสสนาต้องเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เห็นเห็นอย่างเป็นของน่าเบื่ออย่างเป็นอันตรายลึกละเอียดลงไปที่เลน เมื่อก่อนนี้อยากเห็นว่าน้ากลัวกิเลสละเอียดยังเห็นบุญคุณแต่พอลึกลงไปแล้วกิเลสแม้ละเอียดก็เห็นอันตรายกุศลแม้ละเอียดก็ไม่ต้องการเห็นอันตรายแต่ที่ยังละไม่ได้ก็ต้องจำใจเซเวยให้มันไปก่อนอยู่กับมันไปก่อนแต่ไม่เร่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะอยู่กันต่อไปนะอยู่เพื่อจะหยา ในในโอกาส ต, ต่อไปของการดำเนินการปฏิบัติธรรมอ่ทีนี้ก็พูดโดยลำดับต่อไปอ่าข้อสี่ที่บอกว่าเห็นเกิดดับโดยขณะคืออุปาทะขณะเกิดเป็นความเกิดในขณะ ของรูปนามที่ใช้คําว่าในขณะเนี่ยคือในขณะรูปขณะนามหรือที่ในที่ขณะไม่ใช่เห็นเป็นเชิงเหตุปัจจัยหรือความจะสิ้นว่านามรูปนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดแล้วไม่เกิดขันใหม่ขึ้นมาอีกเพราะเราไปจัดการกับเหตุปัใจจัยให้ดับอย่างไรเหตุปัจจัยจะดับเนี่ยอยู่เฉยๆให้มันดับหรืเราต้องเป็นผู้ดับ ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่อยู่เฉยๆให้ดับนะไม่ใช่ไปมองว่าเอพราเหตุปัจจัยดับนามรูป ก, ก่ดับแล้วมันก็ดับเชื่ออย่างเชื่อฟังเราอย่างอายเราเหมือนไอ้กรโมออยเข้าบาท์นี่ย่างนั้นแต่อันนี้ท่านบอกว่าไอ้ตัวภาวนาเนี่แหละตัวมรคขั้นโลกิยะในยานสีเนี่ยเข้าไปยัง้งยังได้แค่ไหนเป็นไปตามส่วนของลาดับญาติแต่ที่เต็นที่คือมรคญาต เอกสารชุสิบเอ็ดนั้นบอกไว้ชัดเจนมากผมได้คัดคัดมาไว้ในในที่นั้นแล้วคงถ้าจะถึงไม่ถึงวันนี้ผมก็ยังยังอาจจะไม่ได้รับรองน ะ, ะต่อไปครับข้อเจ็ดประเด็นเจ็ดปัจจัยของรูปนามสองส่วนอันนี้เป็นการแบ่งรายละเอียดออกไปอีกหน่อยเพราะที่ พ, พูดมาแล้วนะเป็นการอธิบายโดยเราเอาวิชาตันหากรรม เป็นปัจจัยร่วมกันของนามรูปทัง่วงนี่ก็หมายความว่าไม่มีนามมีรูปใดเลยที่ไม่เป็นผลผลิตของกรรมกกิเลสนามรูปเป็นวิบากตรงครอเป็นวิบากกัวัตใช่ไนะกรรมเป็นกรรมวัตกิเลสสองตัวที่เป็นมูลเป็นกิเลสวัต เวลาเราปฏิบัติพิปัสนาเนี่ยถามว่าเราใช้วัดป่าอะไรเป็นเป็นที่ตั้งหลักในการกาหนดท้องของท้องยุบเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากคำถามเป็นวิบากหลงพ่เป็นวิบากนะช่ไหมกำหนดยืนเดินนั่งนอนเป็นวิบากก็คือผลผลของกรรม และของกิเลสที่มองย้อนกลับเข้าไปแปลว่ากรรมและกิเลสเนี่ยมันส่งผลแก่นามแก่รูปตลอดเวลาส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างทั้งสองส่วนบ้างในรายละเอียดเนะี่ยเราไม่ไมไมจาเป็นต้องพูดกันในตอนนี้ก็เรียกว่าไอ้กรรมมันมาลุมมาตุ้มเราเหมือนชีวิตปกติเราเนี่ยแต่เราจะเห็นชัดและลึกละเอียดกว่านั้น แล้วก็บางทีสามารถจะมองเห็นอายุของกรรมแล้วบางทีเนี่ยมันบอกล่วงหน้าเลยว่าหลังจากนี้นะเราจะต้องประสบปัญหาอย่างนี้ชั่วระยะนี้มันบอกล่วงหน้ามาเลยล่วงหน้าคืาอเมื่อไหร่เมื่อเราปฏิบัติอันนี้ผมเป็นประสบการณ์ผมเอก ทีนี้ไอเรารู้อย่างนี้คล้ายๆว่าอากุศลมันจะมาให้ผลเนี่ยเราเห็นคล้ายๆเห็นเข้ามันมาอย่างนี้ความรู้สึกเรานี่มันบอกแต่มันบอกจุดจบไม่ด้วยครับเราก็เลยไม่ทุรนทุรายพอออกมาแล้วก็รู้แต่เตรียมใจเตรียมสถานการณ์รับแล้วก็เจอจริงๆครับเจอจริงๆี่ผูดถึงในชีวิตปกติอย่างเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เราก็ดูเอ๋อเดี๋ยวมันก็หมดเลยเราก็ไม่ทุรนทุราย ก็ล้วก็ประครับประคองไอ้ปัญหาที่มันเกิดตรงจุดนั้นไปจนผ่านผ่านพ้นไปผมก็ไม่ทราบว่าพวกเราจะมีประสบการณ์แสสนาดสักอย่างนี้บ่าแต่ว่าบางคนที่ท่านเป็นนักพูดเป็นคระวิจารน์นก็เคยเล่าคล้ายๆก็อย่างนี้นะก็พูดแล้วก็นึกถึงเจ้าคุณวัดอาพอวันที่ท่านชอบเราเรื่อง เกิดอุบัติเหตุแล้วคอหัก่ะหนังศีรษะเปิดหน้ามรณาภาพอย่างอย่างดิ้งขนาดคนมาเห็นก็ว่าตายแล้วนะเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้ล่วงหนะ้าใครเคยฟังท่านเล่าไหมท่านบอกว่าท่านรู้ล่วงหนะ้ารู้จากการปฏิบัตินี่แหละและท่านก็ไปเจออย่างนี้ อา้าวแล้วไหนคุยว่าปฏิบัติแล้วช่วยแก่กรร ม, มยอย่างงูยงงี้ไนงะผมไม่อธิบายต่อถามไปถามมาแล้วเลื่อยไปเดี๋ยวไม่ไม่ไปอ่มันมีบทอธิบายอยู่นะฮะเพราะนั้นไอ้นี่แหละคือตัวหลักกิเลสสองตัวซึ่งเป็นมูลกับกรรม แล้วก็กรรมหลักที่เห็นก่อนเลยคือชนกกรรมที่ที่เห็นเป็นมาก่อนเลยอย่างอย่างในจุดนี้น่ะเพราะว่าไอ้นามรูปที่ที่ว่าเห็นเนี่ยคือนามรูปคืออัตภาพนี้มาจากอะไรชนกกรรมแล้วก็รายละเอียดของกรรมอื่นๆก็ตามมาเนี่ยนี่จึงว่าเป็นปัจจัยร่วมแล้วก็เป็นปัจจัยเก่าของรูปนามใหม่ถ้านับชาตินี้เป็นรูปนามใหม่ อวิชาก ร, รมแนดีก็เป็นรูปนามเก่าแล้วก็ถ้านับรูปนามชาติต่อไปเป็นรูปนามใหม่ตันหาและอวิชากรรมปัจจุบันนี้ก็เป็นปัจจัยเก่าเก่าของรูปนามชาติมากาเราก็เลยเราจะเกิดอาการอันหนึ่งสะกดไอ้ความเคลื่อนไหวของอวิชาตันหาจะมีไอ้ความรู้สึกควบคุม อาวิชาการหากรรมในปัจจุบันเปิดการควบคุมและคำว่าควบคุมอย่างเป็นความประสงค์ของผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแท้แท้บริสุทธิ์เลยควบคุมอย่างต้องการจะทำลายมันซะเลยและเมื่อถึงยานตียืดทาลายได้ไปส่วนหนึ่งเป็นขั้นปะทางข้าปอาหารแล้วก็เกิดความรู้ว่ากิเลสของของคนเนี่ยทำลายได้ นามรูปของคนนั้นทําให้แตกสลายไม่มีอีกได้ก็คือว่าเริ่มเชื่อมั่กเชื่อผลแม้ว่าตัวเองจะยังไม่ได้ก็เห็นลูปทางเหมือนอย่างที่เราบอกว่าบัดนี้เราพบทางสว่างแล้วความจีิที่บอกว่าพบทางสว่างความ น, นี้อาจจะยังไม่ได้เดินสักเก้าหรือเดินไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงดวงความสว่างพบแสงสว่างเรารู้อาทิตย์ตามอยู่ตรงนี้เราเดินมาทางนี้ไม่ผิดแล้วเดินมาทางนี้ประเสริฐแล้ว ขอให้ก้าวเดินต่อไปเดี๋ยททำนองนี้ครับไหนมีใครจะยกตัวอย่างคัดคมันไม่ใช่สว่างแล้วเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งมืมดมนยิ่งเข้าวัดยิ่งมืมดมนมะีไหมชีวิตตกอับยันแย่มีใครมีใครมายกมือมายะแต่ น, นั่งเทศ่ยในฟังเป็นวิเษศศ ก็เข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยไม่รู้สึกอย่างนั้นทำมาพบจริงๆนะนี่พูดถึงว่ามาพบจริงๆเนี่ยจะขั้นไหนกันต่างจมีปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคืออาหารผัสสะนามรูปอันนี้เป็นปัจจัยเฉพาะของรูปหรือนามและเป็นปัจจัยร่วมกัน กับรูปนามนั้นๆก็คือทั้งคู่เป็นปัจจุบันด้ียกันอาหารแล้วก็อัตถกาถาท่านแถมจิตตูให้โมก็คัดเข้ามาวงเล็บนะนอกเหนือจากข้อความในพระไตรปิฎก<ม>เป็นปัจจัยของรูปในประวัติการที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ทื่อๆว่าเออที่อาหารเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างเราพูดๆกันนะหรืออย่างโภชนการเนี่ยก็พูดกันอย่างนั้น แต่มันรู้ซอกแซดไปยิ่งกว่านั้นอาหารกินแต่ละมือหรืออย่างหลักหลุมรวมแล้วก็ความรู้สึกต่อความเปลาะ บ, บางของอาหารแล้วก็พอคนรู้อย่างนี้แล้วถามว่าเลยกินหนักเขึ้นอีกกลัวจะไม่มีแรงทาำของฐ า, านเช่อที่วิปัสสนาจารย์ตั้งก่อยเตือนหรือเกิดความรู้สึกเห็นการกินเป็นภาระ ไหนใครจะตอบถ้าใครไม่กลัวหน้าแตกก็ตอบอย่างแรกนี่นี้เรากำลังพูดว่าคนพอเข้าไปสู่ไอ้การเห็นอย่างนี้นะการกินเนี่ยกลายเป็นภาระทำไมต้องกิน <c oughs> เคยถามไหมฮะความจริงไอ้ความรู้สึกนี้ผมเคยเคยเคยคิดเนี่ยมันเป็นความเพียงความคิดตั้งแต่เด็กมาแล้ว สมัยก่อนเนี่ยผมเห็นแม่ผมหุงข้าวแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เตาแกรบเตาไม่ใช่แก๊สเตาแกลบแก๊สเนี่ไม่มีแล้วมีปล่องขึ้นไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเตาฟืนไอ้เราก็ยังเป็นเด็กนะแล้วก็นั่งมองแม่หุงข้าวแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, อย่นี้ฟืนเจ้เอาฝืนที่ไหนมองหุงกันต่อไปอีกแล้วมันไม่ใช่หุงบ้านเราบ้านเดียวนะหุงกันกี่บ้าน แล้วก็หุงแล้วหุงอีกกินกันแรกกินอีกแม่ไม่เบื่อบ้างแล้วแต่เราไม่ได้พูดให้แม่วังนะเราก็ได้แต่นั่งนะึกนันก็เกิดความกลัวไอ้ความหมดเปลืองความซ้ำซากตามภาษาเด็กนะแล้วก็เวลาเรานอนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยผมจําได้นอนแล้วก็ดูหายใจอทําไมเราต้องหายใจแล้วไอ้หายใจนี้เมื่อไหร่จะหยุดจะดีนะนี่เป็นความรู้สึกของผมตอนเด็กๆ แล้วคนนั่งไอ้คนอื่นเขาหายใจหรือเปล่าแล้วผมไปเทีย่ยวด่เขาก็หายใจแล้วก็อิมพลังความใจมากําหนดหายใจพราะคันหมดแล้วมันเกิดความเบื่อเกิดความกลัวแล้วผมก็พยายามกลั้นหายใจไม่หายใจไม่ได้หรือไม่ได้ต้องหายใจที่มันเกิดความตัวขึ้นมาประหลาดนะผมก็ามันโดยนี้ผมไม่เคยเล่าให้พ่อให้แม่ฟังนะ แต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมกาลังผิดปกติคนอื่ไม่เห็นเขาเขาเขาเขาลุ่มอย่างละเราว่าเราผิดปกติแล้วเขาประจำความได้เนี่ยผมก็ผมก็เกิดเกิดอําเภอลำลูกกามันบ้านนอกเวลาเราจะอุจลาไปรเราก็ไปตามท้องทุ่ ง, ง, งไอ้ส้มอย่างคนเข้ า, ขาผมเข้าไม่ได้เข้าแล้วมันกินข้าวไม่ลงเป็นอันทิตาทิศเลยออื ก็ตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่รู้โดยที่มันนั่นก็เออเราคงจะมาจากเทวโลกมนะันนอะเลยนั่งไม่ได้จนเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ลมที่เลนตามท่าน้ําที่ควายมันหลงผมเหยียบผมก็อยากแ ย, ยัตั้งแต่เด็กมาแล้วทีนี้พอจําความได้เฮ้ยทาไมเราต้องถ่ายคนอื่นก็ถ่ายมานึกไปดีน่ะ ทำไมไอ้อุจจารปัสสาวะเราเหม็นเราก็นึกว่ของพระขงไม่เหม็นนะจ๊ะยาววาดนะัเนื่องยาววาดเราก็ลบนะตือท่านคงไม่เหม็นนะเนี่ยท่านถึงบวชเป็นพระเราก็นึกตามภาษาเด็กไหมนะเออถ้าเราไม่เหม็นนะั่าน่าจะไปบวชมั้งจนกระทั่งมาอยู่กับญาติที่กรุงเทพเราก็ไม่รู้ไอ้ส้วมกรุงเทพมันมีส้วมซึม เราเข้าใจผิดว่าคนกรุงเทพคงไม่ถ่ายกันเพราะเราไปดูแล้วไม่มีส่วมไม่มีท้องนายได้เอพอมาถึงเวลาเราปวดอุจจาระเนี่ยเราหาท้องนาถ่ายไม่ได้ก็ไปแอบถ่ายในครัวเนี่ยอามาเนี่ยต้องมาจับได้ยากผมนะะเขาก็รักเราอ่ะอุตษาไปเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรแล้วก็บอกว่านี่วเวลาจะถ่ายเนี่ยไปถ่ายที่นี่เราถึงรู้จักส่วมซึมครั้งแรกในชีวิตคืนนะ ก็เลยเ อ, อดีฮะดีถ่ายสบายกับาส้วมบ้านละที่เราเห็นบ้านเราก็เลยรู้อ๋อคนกรุงเทพเขาก็ถ่ายเหมือนกันนนี้เปเรื่องเรื่องเด็กๆคิดนี่เดี๋ยวนี้พอเรามาเรียนธรรมมาสอเออไอ้ความคิดอะไรบางอย่างเรามองไกลๆต่ำมะมันน่าเบื่อมันไม่ใช่ของดีถึงแม้ว่ า, าชาวโลกเขาจะคิดมันเป็นเรื่องปกติ แต่นี่มันคือการบริหารทุกคือปรากฏการของทุกในสังสารวัตรนั่นแหละเพราะมนี้หมดแรงไปทลายแล้วแต่หายใจเนี่ยถ้าเอาไอ้แรงหายใจของเรามาลงมาทั้งชีวิตมันุนงยกรถสิบล้อดได้ทั้งคันแรงเคี้ยวอาหารทุกสิ่งทุกอย่างแรงเบ่งอุจจ า, ะาระปัสสาวะพวกนี้นะทั้งนั้นเลยท่านจะพรณนาถึงความหน้าจะภูงกลัวในตอนหลังต่อไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนประเด็นหลังนะจ๊ะนิพพัทสะ เป็นปัจจัยของเจตสิกกับขันตรงนี้ผมประมวลเป็นคำพูดรูปๆาท่านท่านแจ้งว่าผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสัญญาและสังขารละขันก็คือเจตสิกกับขัท่านยกอันนี้เป็นประธานไอ้การสัมผัสการโลั น, นี้เกิดเจตสิกนี่คือพฤติกรรมของจิตความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ของจิตความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ของจิตมี เป็นปัจจัยเฉพาะหน้าภาษาต่างๆที่เราสัมผัสพบประสบการณ์งอต่างๆแล้วนี้แหละครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนะครัคือจิตนั่นเองครับนามก็ในที่นี้ไ ม, ไ ม, ไม่มีความหมายอย่างที่พูดว่านามรูปอย่างในภาษาวิปัสนาที่พูดพูดเป็นหลักนะแตลนามหมายถึงเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งจิตและรูป หมายถึงอายตนะในตัวเราเป็นที่เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตสลีละที่เป็นถ้ำของจิตพูดอย่างในประสตรเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตจิตเป็นของบอบบางเช่นเดียวกันที่นี่ไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดกันอย่างทฤษฎีเนี่ยเขาฟังแล้วมันทื่อๆนย่างไม่รู้ น, ะนามลูกทาให้เกิดจิตมันดูทื่อๆอธิบายอย่างทฤษฎีเนี่ย มันไม่ซึ้งแต่ถ้าในอารมณ์ของคนปฏิบัติเนี่ยมันเข้าไปเห็นว่าจิตที่เขาใช้ว่าการชาระจิตการยกจิตจิตเป็นผู้หลุดพ้นไอ้ความรู้อารมณ์นีที่มันสูงมันต่ำมันเป็นเพราะความรู้สึกที่เราเรียกว่ากิเลส ท, ที่เรียกว่ามันเป็นตัวปรุงแต่งทำให้จิตของคนเนี่ยอย่างเู่ว่า จิตคือรู้อารมณ์พระอาหารหันต์ฟังใครพูดหวานหวานใครดา่าหยาบหยาบก็ได้ยินเหมือนเราได้ยินนี่คือจิตและทำไมถึงจิตสองคนนี้คนปุถุชนต่ำๆอันถพาปุถุชนกับพระอาหารหันต์เกิดจิตรับอารมณ์เดียวกันแต่สภาพจิตไม่เหมือนกันอะไรมันเป็นความต่างเฉพาะหน้าที่ล่วงลึกเข้าไปในจิตได้ เราอย่าไปพูดถึงไอไอเหตุปัจจัยอะไรอย่างอื่นนะอะไรเจตสิกในขณะเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่าที่เราได้อารมณ์ดีๆเนี่ยนะเรามักจะนึกย้อนนึกย้อนไปเทียบตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัตินึกไปเทียบกับคนไม่ได้ปฏิบัติเราจะเกิดความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาว่าจิตขณะนี้มันเบาสลวยอ่อนสะอาด เมื่อไม่ปฏิบัติเนี่ยมันหยาบมันสกปรกมันทื่อมันแข็งมันกัดขลโดยที่ไอ้ความรู้อย่างนี้เนี่ยทําไมตอนที่เราขลักขลากอยู่ตอนหน้าต่อตาเราไม่เห็นเราไม่รู้สึกว่าจิตเรากัดขลักแต่มาทําไมมารู้สึกตอนนี้แล้วก็ไปนึกถึงคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติ เขาไม่เห็นความกักขาวขอจิตครับเช่นว่าความสุขที่เขาได้เขาคนนึกว่าวิเศษเลิศเลยจากการเสพสุขในคติธรรมดาของชาวโลกเป็นอบายมุกบังไม่เป็นอบายมุกบังก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอีกอย่างเราก็นึกว่าเขาจะเข้าใจเห็นสรรพคุณของจิตที่อบรมชําระจิตเพราะกิเลสเมันคือเจตสิกใช่ไหม อากุศลเจตสิกนั่นแหละเป็นกิเลสและก็ไปอยู่ในจิตใดจิตก็พลอยถูกเรียกไปตามสภาพจิตนั้นและแม้เมื่อเกิดกุศลกุศลดีกุศลแรงไม่ได้มันมีอะไรมาถ่วงอย่างเร า, เ, ราเกิดกุศลอย่างธรรมดาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพระอาหารหันต์มาพูดนี่พ่อคงกลุ่มใจมากทำไยทำยังไงถึงจะพลนาให้เข้าใจเอาวิชาเข้าใจความน่าสะพึงกลัวของวิชาตัหา มันไม่ใช่ของง่ายเลยใช่ไหมที่จะพูดให้คนอย่างเราๆเนี่ยเกิดความรู้สึกเสะพึงกลัวเห็นเป็นของหนักของหน่วงของปวงใจพิดแล้วเวลาที่เราไปอยู่ในนั้นพอชำระใจโปร่งเนี่ยเห็นทางสว่างเห็นความกระจ่างไอ้อย่างชนิดที่เราอ่านตหลับตําลายอย่าง น, นก็นึกไม่ออกใครมาแนะนำเราจิตพงบางทีก็ผิดผิดถูกถูครับ คุหลักผู้ใหญ่บางทีก็มาสอนเราอย่างธรรมดาวก็ผิผิดถูกูกนะเราก็ทําผิดทําถูกเข้าใจได้บ้างไหมได้บางทีแนะนําถูกแล้วก็เข้าขใจไม่ได้ก็มีเข้าใจได้แต่ทําใจไม่ได้อย่างวีเลงก็ร้องนะทำใจไม่ได้ก็มีอดไว้ไม่ไหวก็มีอย่างบ่นๆกันประจําอย่างเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้ก็มีแม่ทําใจไม่ได้พูดน่ะเข้าใจแต่ทาใจไม่ได้มันก็เหมือนอาวิชามันไม่ออก แต่พอปฏิบัตินี่มันได้ครับเช่นว่าเราน้อมนึกไปถึงคนที่เราเกลียดที่สุดนี้ทําไมมันเข้าใจเขาทําไมถึงเมตตาเขาได้เคยไหมครับแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะนึกไม่ได้ยิ่งอยู่ น, น, นานๆนีนะ่นึกไม่ได้แล้วเราก็รู้อ๋ออันนี้เป็นทางสว่างเป็นทางที่ถูกที่เราจะต้องนึกแบบนี้กับเขาเราก็พอออกมาก็มันก็มีเชื้อเหลือติดตัวเราตามสมควร แก่ความเข้าถึงในขั้นเหตุนี่ผมพยายามเต็มที่แล้วนะที่เจวียนจะพูดให้เห็นว่าตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติเข้าไปเห็นไอ้นามตรงนี้เป็นเครื่องเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งจิตย่ํามีจิตที่ท่านเรียกบางทีเรียกเป็นโวหารฝ่ายสมมุติว่าอาิมิตรภายในศัตรูภายในมนฑินภายในเครื่องกิดขวางภายใน นี่ผมก็ยังนึกนึกเล่นเล่นแล้วก็มันพูดบ่อยทีไหลหนวลงจะมีพระขังขังสักองค์หนึ่งไหมที่เอาไม้โคหัวเปร่มราคัคยโยหลุดอีกเปร่งโพสัคโยหลุดอีกเปร่งโมหะคโยหลุดเคาะครบสามทีตึกลุกขึ้นมาโอ้โหสว่างหมดเห็นตัวเองอย่างกระจ่างเห็นอะไรอย่างสว่างอย่างไม่มีข้อขัดข้องอะไรเนี้ย หาหลวงพ่ออยังงี้ทั้งองค์ท่านนะนี่ผมก็ว่าถ้ามีโอกาสผมไปหาหลวงพ่อคูลเนี่ยผมจะไม่ขออย่างอื่นแล้วครับนี่ยังไม่มีโอกาสไปหาท่านนะก็จะบอกจะบอกท่านว่าขคาให้ยิเงเส็จผมหลุดไอ้สามตกให้มันหลุดขึ้นไปมากกว่าที่เดี๋ยวนี้มันอยู่แค่ไหนถ้ามันหลุดอธิษฐานในผมหน่อยอะนะให้มาเป็นพลังเป็นเชืองไม่ถึงเอาหลุดในที่นั้นไปหลุดในโลกวัดท่านก็ให้เคาได้พลังมาทําให้หลุดที่อื่นก็ยังดีนะ แล้วก็เลยนึกเล่นว่าถ้าผมเกิดจะไปบวชในภพใดาชาติใดข้างหน้าถ้าขอเป็นพระหังแบบนี้ใครเข้าวัดอาตมาแล้วก็สว่างเลยนะผมให้พระเครื่องไว้ักองค์ไปแวนแล้วราค่าทศโมโหะไม่กล้าเอามากวน นี่อาจจะองเดียวมันจุไม่พอก็อาจจะให้สาม อ, องค์หนึ่งลาขะขโยข โ, ยขโยองหนึ่งพขยโยองหนึ่งมขยโผลกเล็ยแล้วพกไปเนี่แปลว่าเรากำลังได้สิ่งที่เป็นเครื่องแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไม่มีใครจะแก้ได้ดีเท่ากับเรารู้เองและแก้เองแค่จิตเราหมดหลุดจากกิเลสเนี่ยปัญหามันหลุดไปแล้วครับจริงนะ เรารู้สึกเลยว่าปัญหามันหลุดนิ่หลุดต้องอย่างนี้ผมเนี่ยเคยไปรู้สึกหลังสะดุดขึ้นมาเมื่อผมเข้ากรรมฐ า, านครั้งแรกเจ็ดวันที่ต่างจังหวัดโอยโหสามวันแรกสี่วันแรกแทบเป็นแทบตายพอถึงวันที่เจ็ดเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าทางนี้เท่านั้นเราจะเอาอะไรก็ได้ทางนี้ จะพ้นปัญหาอะไรก็ได้ทางนี้แล้วก็ได้คุยกับคนที่รู้จักที่ปฏิบัติด้วยกันว่าทางนี้แน่แล้วก็เลยวิปัสสนานิยมมาจนเดี๋ยวนี้ทางนี้แน่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเองอย่างพระพูดนะนะเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อน เราก็มาเข้าใจคำพระตามสมควรอย่างนี้อ๋อคืออันนี้เองจริงไหมไอ้นี่มันไม่ใช่แค่ฝืนทําใจแบบฝืนฝืนทําแบบกรอบเกื่อนแต่มันหลุดเนี่พอหลุดแล้วเราก็เลยเห็นว่าโอ้กใจเราที่มีกิเลสเนี่ยนี่มันคือตัวเลี้ยงปัญหาเพราะปัญหาสืบต่อปัญหา ตัเลีทุกสืบต่อทุกและเขาที่มาเป็นปัญหากับเราเนี่ยเขาเป็นลูกมือกิเลสเราในนี้เราเห็นชัดเลยครับจริงไหนะเป็นลูกมือกิเลสเราเนะเขามาว่าเนี้เขามาเป็นอย่างที่เราเป็นเป็นเพื่อศาสนับสนุนให้เราที่เราอยากเป็นเราเกลียดเขาแปลว่าเราอยากให้เขาคนอื่นเขา ไม่คบกับเราเขาเกลียดเราก็เป็นศัตรูเราใช่ไหมละ่ะเขาเข้าอุตสามาให้ความร่วมมือแล้วไงยังไม่ขอบคุณยังอุตส่าห์ไปโกรธแล้วไปโทษเ้านะฮะซึ่งซึ่งไอ้ความคิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความคิดของธรรมะมันก็เหมือนบุญที่เราทำํำเนีย่ยเขาก็มาเป็นเครื่องมือบุญเราเราก็เป็นเครื่องมือบุญเขานั่นแหละมันของแน่แน่เลยตรงนี้อันนี้จะเข้าใจตรงนี้ชัดเจน นั่นถ้าใครปฏิบัติแล้วเกิดไอ้ภาวะของความลอยตัวของจิตจากให้นามธรรมท้งหลายเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่แค่กิเลสที่ผมพูดกิเลสว่ามันเข้าใจง่ายแต่ว่าของท่านเนี่ยแม้แต่เจตสิกที่ยังมีลักษณะเป็นกรรมอยู่ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วความรู้สึกในทางลึกนั้นมันปฏิเสธ และค่อยๆอยันนี้ก็เป็นํานวนเปลี่ยนเทียบ ว, ว่าร0อยตัวเนี่ยนะอิสระออกไปตัวตามลำดับตามลาดับและในที่สุดก็เหมือนกับว่าให้เราต้องไปสวยกรรมต้องขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นไปยังนั้นแหละ <Yeah. S 1> พูดยังกะหญิงมากได้รับสวยบากก็ได้รับไปยังนั้นแหละความจริงเบื่อ อยากจะไปแล้วแต่บางทีมันยังอยู่ในกลงขังด้บางอย่างเหมือนอย่างบางคนนี่ไหมะอยากบวชจะตายแต่ก็บวชไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปตามเหตุปัจจัยอย่างอื่นตามสมควรมันก็ออกได้ในแต่ความรู้สึกบางครั้งบางกลาง่ า, กลาวไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นไปตามส่วนอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าฝืนอยู่อย่างคนเก็บกฎตามตามลักษณะของคนที่อยู่ในโลกกิเลกเข้าใจไห มึงก็อยู่อยู่ยังไงมืองก็เราไปเสวยอคติบากแรงๆเขาเนี่ยไอคนที่มีลักษณะของขอุฎุชนทางโลกธรรมดาที่เก็บกดมึงก็เขาเรียกว่าฝืนใจเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ใช้วิธีแก้อย่างฝืนๆไม่ถูกต้องแต่อย่างเรานั้นไปอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยได้ปวดเนี่ยเนี่ยมันคนที่คุยวิปัสนาแน่ๆจะได้เห็นพิสูจน์กันก็ตอนนี้แหละครับ นี่ผมกาลังให้คนสืบถามรายหนึ่งเป็นนักเรียนเก่าของผมเรียนเก่งมากผู้หญิงคนนี้ก็มีพวกเราบางคนรู้จักอาจ า, าริสาก็รู้จักก็ยอมรับว่ามีพวกบางที่เขาเรียนเก่งเรียนริชนิดที่เอาพระไตรปิฎกมากลางเรียนกันแล้วก็แต่ว่าเธอชอบวิปัสสนาสำนักหนึ่งอย่างฝังใจ และยังมีความรู้สึกว่าที่อื่นยังไม่ถูกต้องอย่างค่อนข้างแรงและเวลานี้ได้ทราบว่าเธอเป็นมะเร็งทั้งที่จบจบเพศสัตก็รักใคร่ชอบพอกันดีเป็นคนปัญญาจริตก็เป็นมะเร็งก็จะต้องไปเยี่ยม แต่ไม่เทบแล้ว่าผมไปถรงมึงจะมาดูหน้าเนี่ยเป็นยังไงไหนวิปัสสนาวนะเนี่ยเราไม่ได้ไปอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะเราไม่ได้ไปด้วยเหตุผลอันนี้แต่เราก็ยังว่าครูพักรักจําไปทุกๆเรื่องแหละเนี่ยไม่ใช่ด้วยอํานาจของอากุศลแต่ว่าสิ่งที่ไปมันสายสัมพันธ์ทางอื่นนะฮะก็อะไรที่เราพอช่วยก็ได้ก็อยากจะช่วยจะแนะนําเคยต่อว่าว่าทําไมผมถึงต้องไปทําสมาธินะค้คนนี้นะ เมื่อคนละลายเขาอื่นๆทําไมถึงต้องไปทําสมาธิเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนว่าผมกำลังไปทําผิดทํานองอย่างนี้อ่าก็อันนี้นะครับผมก็นึกถึงว่าอันนี้นะ่ะเวลาพอมาถึงบทจะช่วยเหลือกันอย่างนี้จริงๆต้องไปช่วยฝึกสมาธิให้แต่แล้วละ่ะถ้าเจอเนี่ยผมก็ต้องไปช่วยอันนี้แล้วนะอันนี้ก็ <c oughs> จะมาคุณขอให้หายนะฮะนี่ไม่ต้องไเอาควานินทามานินทาแล้ว นึกว่าเขาจะไม่หายเรื่อรื่องมณีธาผมว่ายาเทสนี่ไปให้เขาฟังด้วยผมเรื่องเข้ามาแล่ามาเจอเขาเขาจะบอกด้วยเขาจะได้ได้บุญอ่าอันนี้ก็เป็นบุญเป็นเป็นอัอนหนึ่งก็มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเรื่องวิปัสสนาเนี่ยเราเรียนหลักการและชอบหลักการอันหนึ่งเป็นเรื่องยังเป็นที่ต้องเข้าใจหลักการแต่การปฏิบัติเนี่ยคือสิ่งเดียวที่จะทําให้เรา ได้มาประโยชน์จากธรรมะที่เราชอบดังนั้นคนชอบหลักการในบางทีก็มีเยอะแต่คนที่รักจะปฏิบัติกล้าที่จะปฏิบัติมั่นคงในการปฏิบัติอย่างยืดเยื้อยาวนานอยากจริงนะก็คืออันนี้นะผมพูดให้ฟังว่าอย่างนี้เพรากำลังเราบอกให้รู้ว่าการปฏิบัตินั้นมีหลายแบบนะฮะ หลายแบบหลายอย่างแล้วก็เราเป็นนักศึกษาล้วก็ศึกษาเอาค่อยๆตามศึกษาไปเรืยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เพรนั้นถึง เ, เคยเล่าที่หนึ่งก็มีคนนี้อีกลายนี่มีผ่งมาสำนึกผิดเขาปฏิบัติมีปัชนามาก่อนที่ผมจะเข้าเรียนธรรมะเด้ท่าเมื่อปีสองพันหน้าร้อยสิบเ็ดผมยังอายุสักสิบสองปีได้ไมั้ง เราก็เข้ามาเรียนธรรมะมาปีหนึ่งสี่เรียนอริธรรมนะแต่อันอื่นเราก็อ่านฟังมาธรรมดาก็ปฏิบัติที่นี้เขาก็บอกเขามาฟังผมที่นี่แหละฟังที่พอสลอเนี่ยเขาก็อันนี้พูดไปเขาจยอผมบางไม่รู้นะฮะเขาบอกเขาเห็นเออพูดพูดไม่เหมือนไม่ไม่บังคับให้เชื่อใครนะบางทีก็รู้สึกเขาก็ได้คิดได้คิด พอได้คิดเขาก็บอกเออเขาโล่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเข้าสํานักไหนไม่ได้เลยสํานักนั้นสํานักเดียวเขาเข้าได้เข้ากับพวกไหนต้องไปทะเลาะเขาเล่าร้อนไปทุกทีนี่เขาเล่าเองนะมาตลอดแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกนี่คําพูดเขาอีกเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่เขาจําเป็นต้องฝึกสมาธิเ น, นื่องจากปัญหาโรคไข้ค่เจ็บเนี่ยมาในตอนหลังเนีเขาก็ไปฝึกสมาธิปรากฏว่า เขาบอกว่ามันเป็นเวรกรรมเขาอันหนึง่งที่เขาไปด่าผู้สมาธิไว้มากรัเพลอเอาหมดทําให้เขาเนี่ยทาสมาธิไม่ได้เลยครับล้อระอูเหมือนกับคนอยู่ในเตาเผาทํายังไงก็ไม่ได้แล้วทํายังไงแก้ยังไงผมก็เสนอให้แก้ด้วยการขอสมา ขอสมาระโดยเฉพาะพระบางสายที่ผมรู้ว่าเขาไปพูดถึงใครเนี่ยอันนี้อันอันตรายมากเพราะว่าอย่างน้อยท่านแค่มีศีลเราก็แพ้แล้วไปแตะเราอันตรายแล้วยิ่งมีสมาธิถึงเรื่องวิปัสสนาเราจะเข้าใจว่าท่านใช่ไม่ใช่อย่างไงนะยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้ แค่นี้ก็แตะไม่ได้แล้วครับและถ้าไปแตะอย่างนี้มันแตะยังไม่ใช่ถูกต้องในทางหลักพระไตรปิฎกด้วยเราตู่ทั้งทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าทางพระนี่ยมันจึงเป็นของหนักเลยทําไม่ได้และถึงเดี๋ยวนี้พอทําได้บางครั้งมันกำเริบ แ, แปลกครับมือบางครั้งกำเริบ ก็เล่นก็ทําไม่ได้เกิดอาการไงั้นไปนอนเยอะครับก็ต้องรอตุนบุญตุนสมาทานได้พักเอาค่อยทาได้อีกทีรายเดียวที่ผมได้ทันเห็นกับการที่ผมเคยตวนคนที่ลําเรียนของผมแล้วมีสายหลายสายหลายพวกแล้วก็ต่างฝ่ายต่า ง, ง, องอย่างนูอย่างนี้กันเนี่ยพี่ห้องเดียวกันเนี่ยเขามาเรียนกับผมไม่ได้มาเรียนเพราะนัดถึงว่าผมสอนแบบไหน ผมสอนเป็นหลักๆยู่ทีเขาก็เป็นครูบาอาจารย์สอนกันอยู่แล้วแต่ว่าชอบปฏิบัติคนละแบบมาหันไปตรงนี้ก็พวกพักหันมาตรงนี้ก็งนักหนึ่งึงก็เนี่ยเราถ้าเราจับจังไมด่ดีมันก็เลยกลายเป็นทำลายตัวเองโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมีหลายที่หูวงพาอเขาบอกเลย ตั้งกรรมาแตวันนั้นเนี่ยเขาล่งแล้วเขาคบกับคนได้ทําบุญทุกสํานักเลยแม้ที่สํานักที่ตัวเองทําไม่ขึ้นกระทำทําอย่างที่ผมเคยบอกครับเชียนบอกว่าเนี่ยไปทอดกระถินที่สํานักหนึ่งเนี่ยได้เงินแสนสองส่วนเฉพาะส่วนตัวให้เงินแสนสองสํานักที่เมื่อก่อนเคยว่าว่าไว้เดี๋ยวนี้ได้ทําเลยก็สบาย เลยโล่งเลยเดี๋ยวนี้เอานะมาเออผมพูดถึง้ปฏิสนธิการกับประวัติการนิดหนึง่งถ้า<ม>ที่ผมยกตัวอย่างว่าใจหนักใจเบาเี่ยกตัวอย่างเป็นเชิงประวัติการแต่คนปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตีค่าสมรรถภาพของจิตของตัวเองได้อันหนึ่งน ะ, ะได้แค่ไหนนั้นแล้วแต่แต่ละคน เพราะว่าเมื่อปฏิสนธิอย่างรงเนี่ยคุณภาพจิตสูงแค่ไหนมันอยู่ที่ไหน ถ, ถ้าเราถ้าเราพอพระบิธรรมเราก็ตอบได้แล้วว่ายานตีเหตุกะอินรีห้าที่อยู่ในี่นะอันนี้มันคือเพาดานบินของเราแหละที่เราเมื่อจะพัฒนานได้แค่ไหนแค่อยู่ที่ตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วเราใน่าจะบรรลุได้ในชาตินี้หรือเปล่าอย่างงี้นะอย่าไปผีสามม ถ้าขบาเจ้าไม่บรรลุอาหารหันต์สมักขบาเจ้าจะไม่ทำลายอานาเป็นังขาดเองทพ่ภูไปในประสูตรนั้้เราก็ก็เริ่มเข้าใจตัวเองเคร็่มองเห็นคุณภาพชีวิตระดับขิตในชาติหนึ่งแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกการเตรียมว่าเออชาตินี้เราคงเอาอะไรมากไม่ได้เอาไว้รอชาติหน้าแน่นะ่ะ ผมเองก็คิดอย่างนี้ความจริงชาตินี้อยากจะทําอะไรแต่หลาเยอะแต่ก็มองคุณภาพชีวิตเราก็แค่นี้นะะก็เอาไว้รอชาตินนะเจอกันใหม่ขออยากจะมาอีกตอนนี้มันยังอีหลงตรงนางนอะไรแต่หลาแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ชะตากรรมปฏิสนธิอะไรมันก็อย่างงี้ก็ขอชาติถั ด, ถดไปแล้วค่อยมาต่อกันใหมนะ่ตอนปฏิสนธิเนี่ยสําคัญพราปฏิสนธิเราก็รู้มันกลายเป็นภวังค์จิตใช่ไหม เนี่ยจิตเรามันแค่ไหนยังไงอยู่ที่รวังอจิตเราเห็นคนฉลาดบรรลุทำอย่างที่เราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยถึงเหลือเชื่อไงล่ะครับว่าพูดแค่นี้เข้าใจได้ยังไงเราเห็นแม้ในยุคนี้คนที่ฉลาดมากๆคนที่เขาฉลาดน้อยกว่า อ, อัสจันท ร, ร์จริงเขาเข้าใจได้ยังไงนะเนี่ยอย่างว่้อย่างงี้นะเนอเราเราก็แปลกอย่างนี้ พ อ, อเราเองถ้ า, ถาเราฉลาดกว่าเขาเราไปมองคนงงกว่าไม่ใแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแต่เราไม่โกรธถ้าเรามีธรรมะถ้าเราเราเผลอเราก็อาจจะเกิดกิเลสเป็นปมโมโหโตโสโขเขาอย่างงู้นอย่างนี้ชี้ทางสว่างให้อุตชาหโปรดพระมาปโปรดไม่ยอมไม่พระโปรดกรรมของสัตว์แท้ๆก็ไปว่าอย่างนั้นไปเลยเกิดกิเลสกับเข้าไปใน ต, ตรงนี้เราก็จะประเมินได้ ประเมินตัวเองได้พอสมควรนะนี่ผงไม่ได้มาว่าจะต้องทะลุปลุกปลอย่างอย่างคนที่เป็นอริยะชั้นสูงหรอกแต่ว่าจะยังไงก็ตามจุดปฏิบัติของเรานี่ยมาอยู่ในพวัติการนะฮะแตเ่เราก็ไม่ฟังต้องทําต็มที่แต่ว่าอการยอมรับการประเมินคุณภาพชีวิตเราในเชิงอย่างเนี้ยมันทําให้เราเกิดความก็เรียกว่าไม่มั่ง ใหญ่ไฝสูงจนเกินสักขอยู่ภาษาโลกมาใจหน่อยนะไม่งั้นแล้วมันจะเกิดไอ้แรงบีบคันเคยไหมครับว่าเวลาเราไปปฏิบัตินีเอ้เนี่ครั้งที่สามแล้ทำไม ย, ยังยังแค่นี้ทำไมยังสู้คนนั้นก็ไม่ได้คือจะไปเอาเท่าเขาบางสำนักเขาถึงไม่อยากให้คุยกันเดี๋ยวจะมาเปรียบมาอย่างงีอย่างนี้กัน แล้วก็จะเกิดให้แรงให้แรงบีบันนั้นใครเป็นปัจจัยมีปัจจัยได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นหน้าที่เราคือทาให้ให้เต็มที่แต่ความอยากเรานะ่ะอยากเต็มที่ไม่ดีอยากน้อยเสมอไม่ดีอยากกลางก็ไม่ดีอยากมากก็ไม่ดีต้องควบคุมอันนอ้นคำว่าเจียมตัวกับการปฏิบัติธรรมะต้องใช้ เรารู้จักคําว่าเตรียมตัวไหมปฏิบัติธรรมะอย่างเตรียมตัวพูดธรรมะอย่างเตรียมตัวฟังธรรมะอย่างเตรียมตัวเนี่ม่ดูพู้นี้เตรียมตัวกว่านีแแ่แต่รู้สึกว่าฟังๆในเตรียมตัวใ น, นๆอยู่แล้วทีนี้ปฏิบัติธรรมะบางทีเราไม่เตรียมตัวนะบางคนปนกันยุ่งมาสอนธรรมะมานึกว่าเราไม่ต้องเจ็ดวันละคูสองวันเนี่ยมันให้ได้เรื่องนะ แล้วก็หงายหลังกันมาเยอะอะไรแบบเนี้ยดีมาแอบเล่าๆกันนี่นะตั้งแต่เก่าๆก็มีสำนักทั้งหลายยังมีเห็นคนดูนี่นี่จิตเจตสิกนีนก็ดิกสักตัวเอ๊ะปฏิบัติแนละ้วดูดีหัวเราจิตเจตสิกนี่จําแม่นยําคล่องปฏิบัติคงต้อ ง, งเป็นหลายเท่าของคนคนนี้เนะี่ยก็เข้าไปอย่างลืมตัวเจียมไม่เจียมตัวเสร็จแล้วเลย ทำทีเดียวแล้วต้องเลิกตลอดชีวิตไปเลยบางคนนะอาจารย์นพิธามบางคนเนี่ยในนี้ผมคุ้นเคยเลิกไปเลยครับเพราะไปทำแล้วหวังมากไปจนเกิดแรงตีของกิเลสทำให้เกิดภาพลบต่อการปฏิบัติได้แต่ชอบชีวิตก็ดูต่อไปนะดูประเด็นที่แปดอธิบายเรื่องปัจจัยของรูป อวิชชาอ๋ออันนี้เป็นเป็นเพียงหลักฐานครับที่ผมว่ามาในหน้าสาเมื่อกี้คือบทสรุปของผมเพื่อให้ง่ายนี่เป็นภาษาหลักฐานว่าหลักฐานท่านพูดยังไงเพื่อให้ได้เห็นว่าผมไม่ได้พูดยกเมฆโมูเมียวเองถึงบางคนจะคิดว่าผมไม่มาหลอกมาตีคลุมยกเมฆเอาเองผมก็ยังห่วงคนอื่น ที่จะได้ติดตามแลบฟังในฐานะอย่างอื่นในเวลาอื่นจะได้รู้ว่ามีหลักฐานว่าท่านว่ า, วางไว้อย่างไงอย่างกรณีของพูดถึงว่าการดับอวิชชานามลูกดับราวิชาดับเนี่ยท่านพูดเอาไวช้ชัดเจนเลยทีเดียวว่าดับน่นคืออย่างนี้คือทาให้ใครที่ดับอวิชชาตัณหา กรรมได้และนามรูปดับมันหมายว่านามรูปที่จะเกิดไม่เกิดอีกมีข้อความตอนไหนแต่นนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่บรรทัดไหนแต่มันอยู่ในนี้แน่นะทําให้นามรูปที่จะเกิดนี้ไม่เกิดอีกนั่นคือความหมายของคําว่าดับโดยปัจจัยเราดับอย่างนี้ดับภพบดับชาตินั่นเองด้วยการดับกิเลสและกรรมใช่นะทําให้ยัง ว่าอาหารตุกดท้งน้ำรูปดับรูปไปเหมือ น, นปิดธระทะเลวดับเมื่อไห่ดามรูปปัจจุบันของท่านเป็นผลผลิตของกิเลสและกรรมกับก็สเสวยไปให้มันเป็มรอกเป็นเงื่อนไขแต่ว่าชาติใหม่ที่เกิดขึ้นจากกิเลสและกรรมในชาตินี้อันท่านดับได้แล้วเวลาดับตัญหาเนี่ยจะดับปัญหาของชาติก่อนหรือปัญหาที่ในชาตินี้ ในชาตินี้นามรูปใหม่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านถึงพยายามบอกว่าเข้าใจให้ดีนะนี่ผมพูดเองนะอัตถ า, าพูดคำว่าดับเนี่ยหมายถึงทำนามรูปที่จะพึงเกิดจากกิเลสในปัจจุบันนี้ไม่ให้เกิดอีกต่อไปนี่คือคำว่าดับโดยปัจจัยแต่ว่าดับโดยขนาดเนี่ย เราไม่ต้องไปดับมันมันดับมันเองจริงหรือจรนามูปใดที่เกิดมาแล้วมันฟังเสียงเราบ้างว่าเ อ, อ๋ยแกไม่เห็นฉันฉันไม่ดับแกเห็นฉันฉันดับหรือเคจะเห็นหรือไม่เห็นฉันก็ดับอย่างเราจะเห็นหรือไม่เห็นนารูปก็ดับโดยขณะของมันอยู่เพราะอะไรที่เราได้จากการเห็นความดับของมันเนี่ยไม่ใช่ได้เพราะเห็นผู้ไม่ให้มันดับ ไม่เห็นแล้วไปเล่งให้มันดับไม่ใช่แต่เห็นเพื่อให้เราเบื่อเบื่อมันก็หมายคําว่าหนายคือการละกิเลสที่เข้าไปผูกพันกับนามรูปและเพราะไปเห็นนามรูปดับเป็นขนาดขนาดเนี่ยดับกิเลสได้เมื่อกิเลสและกรรมเราชนะได้นามรูปที่จะเกิดต่อไปโดยปัจจัย มันก็ขาดไม่แปลว่าเราจะตัดความเชื่อมต่อของเหตุและปัจจัยของนามรูปกับนามรูปด้วยการเห็นอาการเห็นขณะแล้วก็ไปละความยินดีในนามรูปที่เป็นเหตุคือกิเลสและกรรม แล้วก็นามรูปที่เป็นผลคือนามรูปที่เราใช้กําหนดท่านพูดสมเหตุสมผลไหมนะก็เห็นสมเหตุสมผลนะเออที่ผมก็เลยขออนุญาตว่าอ่านอ่านทานทันไปก็แล้วกันนะตรงไหนเห็นว่าหน้าผูดก็จะพูดที่บทที่บอกว่าอาวิชชาสมุทยารูปาสมุทโยนี่ยกตัวอย่างกรณีของรูป แนะนำก็ในํำ น, นองเดียวกันนะเพราะอาวิชชาเกิดรูปจึงเกิดความว่าเมื่อมีอวิชามีอวิชชาตกอาวัย <c oughs> ดังกล่าวแล้วว่ า, อ า, อา ข, อขอโทษเถอะถูกแล้วมีวิชาเามื่อมีวิช า, าดังกล่าวแล้วว่าโมหะในกรรมพบก่อน เป็นอวิชชาย่อมเกิดรูปในภพนี้มีเป็นสมุดฐานจากกิเลสแต่ว่านั่นจากว่ากิเลส ก, กรกรมเนี่ยมันเป็นของกันตรงตรงนี้ผมก็เลยต้องพูดชนิดเนี่นอตักถาท่านแก่ไปด้วยนะแต่คาที่แล้วผมไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดว่าเวลาเราเกิดโมหะถามว่าเป็นกิเลส หรือกรรมในขณะจิตนั้นมีกิเลสอย่างเดียวหรือมีกรรมด้วยเวลาเราเกิดโลภะมีกิเลสอย่างเดียวหรือมีกรรมด้วย <S <S เกิดกิเลสด้ยวยเกิดกรรมด้วยนี่คืออากุศลกรรมกับกิเลส ท, นะท่านบอกว่าเป็นมิสขากันเกิดกิเลสเมื่อไหร่ได้กรรมเมื่อนั้นเกิดอากุศลกรรมเมื่อไหร่ก็ได้กิเลสด้วยเมื่อนั้นแต่เมื่อคนเกิดกุศ ล, ลกรรมเนี่ยตอนนั้นกิเลสไม่เกิด แต่กิเลสยังไม่ได้ละอยู่ดีหมายถึงกุศลกรรมธรรมดานะจะว่าละก็ละแบบตาทางค้าอีกแบบอันนี้จะพูดเรื่องเรื่องสมุติเรื่องเรื่องการทหารอีกทีนะว่าไอ้ไอการละเนี่ยทําทานก็ถือเป็นการละขั้นหนึ่งมันก็แค่ขั้นนั้นแต่ไม่ได้หมายเอาการลัดน้ำพระหลานตัศลวะเรียสศีไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยรูปและนามจึงไม่เกิดอีกต่อไป พอเราได้เรียนเรียเพอเข้าใจพอุงควรเนี้ยคือแม่รู้สึกว่านึกชื่นชมในครับปัญญาของพระพุทธเจ้าเหลือเกินท่านอุตสาหะสะรู้อุตสาห์เห็นอุตสาห์จัดหลักๆได้แล้วมาบอกเราว่าอะไรสาคัญอะไรจะต้องรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจะไปทําให้ละอย่างไร จะเกิดความซาบซึ้งในพุทธคุณขึ้นมาเพราะนั้นจริงไม่แปลกครับที่คนบนรรลุโสดาบันแล้วศรัทธาจึงมั่นคงไม่สงสัยไม่กังขาเลยเรายังยังกะลากรลังอยู่นะสมายก็ยังไม่จะวาหวานหลังหนีเลยทีเดียวเทียบกับโสดาบันก็ยังถือว่ากะลากรลังต่อไปที่ท่านว่าบทว่าปัิยาสมุทรเยนนะ ก็ข้อความว่าโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยก็คืออวิชชาเกิดคาว่าอวิชชาเกิดคือเรายังมีอวิชชาอยู่และเมื่อวิชามีมันก็เกิดขึ้นตามโอกาสนั่นแหละมันทาให้เราต้องเวียนว่ายใจเกิดต่อไปในสัจจะสังยุทธ์นี่ถึงบอกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยเรายังมีอวิชชาในทุก สมุทัยนี้โรดมาและการที่เธอและเราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้เพราะมีวิชาในทุกสมุทัยนีโรดมาพูดไว้ไวที่จริงหลายที่ด้วยกันแมน้ตอนจะปรินิพานก็ตรัสคุณท้าทายให้เราเห็นเนือหน่อยเห็นแล้วจะเป็นยังไง พุกหมูไทยนี้โลดมากเนี่ยท่านบอกคิดไม่ออกฟังก็เห็นยังไม่เห็นต้องปฏิบัติเห็นแล้วมันจะเป็นยังไงความจริงหน้าทา้าทายนะแต่พอทำๆไปพอ เ, เห็นบ้างอะไรฉันถอยกรูดแล้วคนทนุกอเรียสัดไม่ไวหวไอ้ตูวสิ่งที่เราพ อ, อาเข้าไปนิดนึงก็จะทนไม่ไหว น, นะมันยังยังยอมรับครึ่งๆกลางๆางความจริงไม่ถึงครึ่งอนะ่ะ บางที่ยอมรับเปอร์เซ็นต์ยังน้อยกว่ากะอากว่าการไม่ยอมรับมันก็ไม่กล้าถึงขนาดบางคนบอกว่าเอ๊ะไป ท, ำทํำวิปัสนาแล้วจะทําจะทํางานได้หรือคืออันนี้ก็พูดที่ไปฝังใจมาว่าโลกียาโลกุตละทั้งตรงนี้ปฏิบัติกรรมาฐานแล้วจะมาทํางานได้หรืออะไรเงี้ยนะจะมาทํางานหมายถึงมาทํางานอย่างธรรมดาเงี้ยว่าเขาก็ คิดขึ้นมาไปอีกแบบอ ม, <ะ>มาดูที่ว่าอันหนึ่งอวิชาตัญหากรรมสามอย่างเนี่ยนะเป็นปัใจจัยในอดีตเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในภพนี้อันนี้ก็อย่างที่ผมประมวลความไปเรียงไว้เมื่อเมื่อประเด็นก่อนและเมื่อยึดถืออวิชาตัญหากรรมสามอย่างเหล่านี้เป็นอันยึดถือสังขารูปปาฐานคือความยึดมั่นในสังขาร น, นั่นเอง ไอ้ตรงนี้น่ะเป็นคําบอกว่าเราหน่ายึดทั้งเหตุทั้งผลนะครับทําไมละ่ะอย่างที่เราชอบทุกนเนี่ยใครทําให้เราชอบทุกที่มันเป็นสมุทัยอะไรตามไม่ยอาปัญหาใช่ไหมละ่ะเราชงหลงละเลงเพลินเพลิน อ, อ, อยู่กับน้ำลูกมันเป็นทุกสังสารวัตมันเป็นทุกนี่เขาเรียกว่าชอบทุกเห็นทุกโดยความเป็นสุขและ เพราะเราชอบทุก้ดยตัญหามีแล้วเราจะเห็นว่าตัญหาไม่ดีตัญหาเราไม่ชอบเหมือนกับคนชอบอะไรที่เป็นวัตถุการในโลกเนี้ยอะไรมันทาให้ชอบจะบอกแม้ฉันไม่ชอบต่แหวนเพชรแต่ฉันไม่ชอบความชอบองค์เงินเลยมีไหมไม่มีมีแต่ชอบมีแต่ชอบความชอบมากกว่าไอของสนองความชอบไม่เต็ม พอดีกับความชอบของตัวเีนีเทียบให้ฟังคล้ายๆอย่างนี้เราก็ชอบทางคูเหมือนกับที่ที่เขาว่าเมื่อชอบหล่อนก็เลยพลอยลักหมาของหล่อนไปด้วยคำนวณฝรั่งจริงหรือ่ามันสวยเลทั้งบ้านนะหมูหมาคาส่ของบ้านเธิมสวยหมด เลยจปพัดจะผูกคนที่เป็นชื่อเหมือนตัวเขาก็พลอยชอบไปด้วยแล้วก็บัหลาดคนหนึ่งเขาไม่กินกุ้งเพราะว่าแฟนเขาชื่อกุ้งกินไม่ลงไงเหมือนถ้ากินกุ้งแล้วเหมือนเคี้ยวกินแฟนตัวเองที่ผมเจออยู่หลายเขาไม่กินกุ้งเพราะเหตุ น, นี้รักแฟนเขามากถ้าผมเป็นแฟนเขาคงจะตั้งชื่อเพอร์วินะเอามหมดเลยหิว เรียว่าชื่อแม่แกนไว้ดูไว้ที่เขาชอบมาตั้งเป็นชื่อที่จะได้ไม่กินกินไม่ลงแท้หมดข้อความต่อไปบทว่าอาวิชานิโรธาลูกปานิโรโทที่แปลว่าเพราะาวิชาดับรูปจึงดับความว่าเมื่อดับอวิชชาในภพนี้ดับก็คือละครับคําว่าดับนี่คือละไม่ใช่ขนานะ ดับโดยขนาดเนี่ยหมายเพราะอวิชาเกิดก็ต้องดับโทสะเกิดก็ดับโดยขนาดอยู่แล้วไอ้ดับอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าละคนชั่วกิเลสเกิดก็เกิดดับคนดีกิเลสเกิดก็เกิดดับดับตัวนี้จึงหมายถึงทําไม่ให้เกิดอีกถ้าเราทํำอวิชชาขนาดหยาบไม่ให้เกิดอีกทุกจากกิเลสชั้นหยาบรุนแรงก็ไม่เกิดจริงไหมอย่างความทุกข์ของเราเนี่ย มันก็เหลือไอายาบมากๆไม่มีถ้ากิเลสในระดับนั้นเราละได้เช่นเอาง่ายๆว่าเราไม่สูบไม่ไม่สูบบุหรี่กินเหล้าสูบบุหรี่กินเหล้านะมันไม่ใช่แค่อาการมันมีอิเลสเข้าไปสูบไปกินด้วยถูกไหมเราก็ไม่เป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นเรากนอื่มาสูบให้เราดมกลิ่นอีกหนึ่ง นี่ดูเหมือนว่าผมจะพูดเวลมเวลาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยให้นาฬิกาผมมันก็เดินกระพองกระแป้งไปแล้วเลยเดี๋ยวขอขอเวลานอกรึกษาลเรื่องเวลานิดนึงว่านี่พูดไปนานเท่าไหร่แล้ว ฮะสามชั่วโมงเลอฮะโอ้ยอย่างนั้นต้องจบแ ล, ล้วล่ะนี่นี่มันสมกับที่พุทธเจ้าตรัสมาเลยนะว่านา้ำโลกเกิดดับเร็วก็เอาไว้ต่อคราวหน้านะงั้นเรื่องเรือ่องหยาดสีนี่จะจบคราวหน้านี่ถ้าถ้าต่อคราวหน้า อป harma หหน่าปริญญาก็ไม่สมควรจะพูดครั้งเดียวจบหรครับเพราถ้าพูดสั้นแล้วไม่ได้พูดแล้วผมก็เสียดายว่าจะหาโอกาสพูดที่คงจะไม่ค่อยจะได้ช่องแล้วหาคนฟังอย่างนี้ทยายากจะไปพูดที่อื่นก็มีเวทีแต่พูดเรื่องนี้เขาไม่คอยากฟังกันก็ฟังกันไม่ค่อออกเราก็เลยพูดไม่ออกเหมือนกัน เลยเลยขอถือโอกาสนี้แล้วกันนะฮะว่าเราจบเรื่องเสียนาปริญญาในเวลาที่เหลือแล้วก็ประหาหนาปริญญานั้นจะสงวนไว้พูดในช่วงถัดไปเป็นรายการใหม่ก็เลยขยักขย่อนกันไปนิดนึงเอาละครับ ขอสมควรกี่วเวลานะครับขอปิณุลจุติการบรรยายพินเท่านี้